ห้าสิบสามร้านค้าเรนเด่อยเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬานิเซร์จัสสปอร์ตเรนเดยยนเรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ เ ร, ว เ, วเรากำลังมองหาร้านขายยาเ ร, ออ เ, เราต้องการซื้อลูกฟุตบอลเราต้องการซื้อซาลามีาา เ, ามเราต้องการซื้อยา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 ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวา น, น, วนอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวนอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ ที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเคก้ก m i อยากอินเทนซัสอาเจ t ิทอร์โตดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวนม i เ e อร์จัสยูเ e l ิส t o n p ร r a c e t จติริงกอดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์มมีเซ r c h a s สฟอโต้เวนเดยนอนหรืออ t i filmon ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก